นับตัสพวะโอะระหะโตสัมมาสัมบุตัสักนบตัสพวะตอะระหะโตสัมมาสัมบุตัสนโบตัสักพวะโอะระหะโตสัมมาสัมบุตตสบุพานิ เหวะปาจินันตังบยายะสัตตมะนะสังนารังอทิตังเ ย, ยวะกาเบสุอันทักโกกุรุเตวะสันติะนะลำดับต่อไปนี้ก็จะได้บรรยายธรรมะถ้าตามปกติวันนี้ก็เป็นการ อนาปาณาสติครั้งที่หกสิบแปดครั้งที่หกสิบแปดแต่ว่ามันไม่ปกติสถานการณ์ไม่ปกติก็เป็นการถ้าเป็นปกตินี่เป็นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมสลับกันไปทั้งวันตั้งแต่เก้าโมงเชา้าจนถึงสามโมงครึ่งตอนเย็นทีนี้พอมันไม่ปกติก็กลายเป็นว่า ควธรรมไปในระยะเวลาหนึ่งปฏิบัติทำไประยะเวลาหนึ่งในวันก็แค่พกัพกพักเช้าถึงเที่ยงเช้าถึงเที่ยงทีนี้ถ้าต่วันนี้มันมีงานแทรกขึ้นมาตอนเช้าอีกก็เลยเช้าไปอีกครึ่งชั่วโมงจากเก้าโมงนี่กลายเป็นมาเริ่มเกือบเจดสิบโมงวันนี้ก็กจวกว่าจะเลิกก็ต้อง สิเดโมงครึ่งถึงจะชดเชยพอประมาณนะนี่ก็แต่ก็อนนี่แหละมันจะเป็นช่วงสถานการณ์วิกฤติอย่างไรก็ตามสิ่งที่มันจะขาดไม่ได้ก็คือธรรมะการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมมันขาดไม่ได้เลยทีเดียวแหละเพราะว่าโลกไม่ได้ให้สัจจะที่เป็นความรู้กับเรา ถ้าราปล่อยให้ใจของเราหมุนไปกับโลกเราก็จะได้เรียนรู้จะได้รับรู้กับสิ่งที่ไม่ได้ชื่อว่าสัจจะซึ่งไม่ได้เป็นธรรมะโดยตรงเพราะฉะนั้นในการที่จะให้ชีวิตมีพัฒนาการเข้าไปสู่ความสหบเข้าไปสู่ความคงที่เข้าไปสู่ความสิ้นทุกข์ได้เนี่ย มันจะต้องมีการฟังธทมปฏิบัติทมสลับกันไปเรื่อยๆเพราะว่าวงจรในความคิดของเรามันมักจะไหลไปกับโลกแล้วก็มีมิจฉาสังกปะเรียกว่ามีความดำริความคิดผิดๆเป็นอารมณ์เป็นที่ส่องเสพอยู่สม่สำเสบอ เรามักจะแพ้ต่ออำนาจของโลกที่มันกระชากลากเราไปนี่พระบาลีที่ยกขึ้นเมื่อกี้นี่มันมีสั์คำหนึ่งว่าอันทโกกุรุเตวาสังโดยความหมายก็คือว่ามัจจุราชมัจจุ ค, คือความตาย ความตายที่เรียกว่ามัตติราชเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้กระทรรมซึ่งสี่สุดอันทักโกผู้กระทาทึ่งที่สุดจักกระทานรชนผู้ที่มีใจคลองอยู่กับอารมณ์ต่างๆแล้วก็ไม่อิ่มในความชอบใจทั้งหลายที่ว่าไม่อิ่มในกามทั้งปวง ให้อยู่ในอำนาจคือพูดง่ายๆก็คือว่ามัจจุคือความตายจติรั่วล้อมชีวิตไว้ให้อยู่ในอำนาจให้อยู่ในอำนาจอย่างไรก็คืออันทกโกอันทกโกไปว่าเป็นผู้กระทาที่สุดหมายความว่าในขณะที่เนาล้อมรั่วครอบอยู่นั้นนะ มีกิริยาที่เกิดขึ้นในระหว่างของชีวิตตั้งแต่เราเกิดมาเรามีกิริยาคือการกระทำเรื่องราวต่างๆเยอะมากที่ผ่านทางกายมั่งทางวาจามั่งทางใจมั่งกิริยาเหล่านั้นเรียกว่ากิริยาในระหว่างของชีวิต แต่กิริยาคือตัวที่กระทําที่สุดคือความตายกิความตายจึงเป็นกิริยาสุดท้ายของชีวิตมันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเพียงแค่เราคอยรู้ไว้ว่าตื่นเจ้าขึ้นมาอาการที่เราตื่นนอนนะ่ะคือกิริยาพอตื่นเสร็จแล้วถ้าเราตายวันนั้น เราได้แค่กิริยาเดียวแล้วก็เจอกิริยาสุดท้ายแล้วแต่ว่าเราไม่ตายแต่ความตายยังครอบเราอยู่เราตื่นขึ้นมาเราล้างหน้าแปลงควันเรากินข้าวเราแต่งตัวเราขับรถเราไปทำงานเราไปโน่นไปโน่นไปโน่นทานั่นทานี่ไปเรื่อยๆมันมีกิริยาที่เกิดขึ้นในระหว่างวันนั้นเยอะมาก ซึ่งกิริยาทั้งหมดเหล่านั้นเรียกว่ากิริยาในระหว่างของชีวิตแต่ชีวิตเป็นเหมือนประโยคประโยคหนึ่งเช่นว่านายแดงตื่นมาตอนเช้าไปตลาดไปซื้อผักกาดไปกินข้าวต้มชมหนังตลุงและชมชมดิเกก็ว่าไปไปสนทนาไปเยี่ยมเพื่อนไปเยี่ยมญาติ เดไปเดินเตรอยู่แถวริมนาแล้วเดินกลับบ้านไปเรอยไปเรอยไปเอกิริยาเยอะแยะทั้งหลายไปเรอยแต่กิริยาสุดท้ายเมื่อถึงกิริยาสุดท้ายแล้วมันจะไม่ไปไหนแล้วคือตายชีวิตเรานี่เหมือนกันหรืออีกนัยหนึ่งมันเหมือนกับชีวิตของเรานี่พอเกิดมาปับ๊บมันร่วงลงมาจากหน้าผาสูง เราตอนนี้อยู่ในระหว่างถ้าว่าความสูงของหน้าผานั้นแต่ละชีวิตมันไม่เหมือนกันบางชีวิตก็สูงเยอะหน่อยบางชีวิตก็สูงน้อยหน่อยแต่ที่แน่ๆคือเมื่อเกิดแล้วมันเหมือนร่วงลงมาจากหน้าผาที่สูงชัน ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้แล้วอาการที่มันร่วงลงจากหน้าผานั้นสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องพบนั่นคือการกระแทกกับพื้นและก็ตายเพราะฉะนั้นในระหว่างนั้นในระหว่างที่มันยังไม่กระแทกกับพื้นมันอยู่ตรงไหนละ่ะตอนนี้ถ้าเราคิดว่า ร่วงลงมาจากหน้าผาแล้วโอ้ยพึ่งร่วงเองอีกนานหรอกคงจะถึงคงจะกระแทกกับพื้นเงนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะคิดให้เป็นอย่างนั้นได้นะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีมัร่วงลงมาแป๊บเดียวก็ถึงพื้นแล้วบางทีร่วงลงมาก็ยาวหน่อยก็ไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเราจะต้องตกถึงพื้นแน่นอน ทนการที่เราจะต้องมานั่งพินิษพิจารณาอะไรเพื่อที่จะให้มันเกิดถ้าพูดถึงว่าเราจับสัตว์สักตัวหนึ่งโยนจากหน้าผาลงมาถึงพื้นไม่ว่าจะเป็นคนก็ได้หรือจะเป็นสุนัข ก, ก็ได้ในระหว่างที่เราโยนปั๊บเนี่ยมันจะมีอะไรล่ะก่อนที่จะตกถึงพื้นนั้นมันก็มีแค่เสียง กรีดร้องมันไม่ได้มีความสุกเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้องตกถึงพื้นแน่ๆนะมันชัดเจนมากนี่เวลาของเราที่เราเกิดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ปรากฏขึ้นมาเป็นชีวิตมาจนถึงตัวนี้มันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยมันเหมือนกับการที่เราตกร่วงลงมาจากหน้าผานั่นแหละมันย้อนกลับไปตั้งต้นใหม่ไม่ได้มันมีแต่จากกระแทกพื้นอย่างเดียว เมื่อมองชีวิตของตนเห็นป่านนี้นะมันก็จะทาให้เราโฟกัสเข้าไปถูกเรื่องถูกที่ว่าอะไรเป็นสาระอะไรไม่เป็นสาระแล้วก็ปรับกระบวนการคิดของตนนั้นให้มันถูกต้องอันนี้ร่วงลงมาแล้วกำลังจะกระแทกพื้นแล้วยังมัวแต่จะไปลหลงไหลค้อหินชะฮ้อนหิน ยังว่าลงไปหลงไหลตักคลายเขียวๆที่อยู่ริมขอบฝาผนังของขอบเหวนั่นมันมันใช่เรื่องไหมมันไม่ใช่เรื่องแน่นอนแต่ว่เราไม่เห็นเราไม่เคยรู้สึกเราไม่ได้มีความคิดแบบนี้เราเป็นมิจฉาสังกัปปะโคจาราก็คือว่าเรามีวงจรแห่งความคิดแบบผิ ด, ผด ที่มันไหลไปไหลไปไห ล, ไ ป, หลไปเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอสาเรซารมัดตินโดซาเรจาสาระมัดธิโดมัดสิโดเตซาลังนาธิกัตชันติมิชฌาสังกัปปะโกชรา ว่าผู้ที่เห็นสิ่ง เ, เห็นสิ่งซึ่งไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระรับรองได้ว่าเตซารังนาธิขชนติเขามิจฉาสังกปาโคจาราผู้มีความคิดผิดๆเป็นอารมณ์เป็นที่ท่องไปนั่น นาทิขัสรังนาทิขัดชันติไม่มีวันที่จะได้รับสิ่งที่เป็นสาระแน่นอน เ, ออเพราะอะไรมันก็จะยิ่งหลงไปเรื่อยไหลไปเรื่อยหลงไปเรื่อยหลงไปเรื่อยหลงไปเรื่อยทีนี้ท่านว่าซารันจะสาระโตยัตวาอาสารันจะอาสาระโตเตซ า, ารันอาธิคัดชันติมิจฉาสังไอสัมมาสังกัปปะโคจราส่วนผู้ที่รู้ สิ่งที่เป็นสาระโดยความเป็นสาระเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระอย่างนี้ชัดเจนตรงและถูกแล้วเตซารังอาทิกัตชันติสัมมาสังกัปปะโคจระเขาจะมีวงจรของอารมณ์ท่องไปอย่างถูกต้องคือจิตไหลเข้าไปสู่ในอารมณ์อันเป็นสนามที่จะทําให้เกิดการท่องเที่ยวแห่งความคิดนั้นมันถูกแล้ว มันถูกแล้วคือมันโฟกัสถูกจุดแล้วเดี๋ยวเหมือนว่าตกจากหน้าผาเนี่ยมันมัวไม่มัวจะจะไปวิ่งไหลหลงอยู่กับยอดผักเขียวๆอยู่ที่ผาผนังยอดผาแล้วเพราะมันรู้ว่ามันจะต้องร่วงตกกระแทกพื้นแล้วมันรู้สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องทําอย่างไรปรับปรุงตอนนั้นให้มันถูกต้องก็คือไม่ต้องให้มันนั่งทุกข์ใจบีบขั้นใจหวีดกลัวหวีดร้องไอ้วาดกลัวและหวีดร้อง อยู่ในระหว่างตกก่อนที่จะกระแทกหน้าผาให้มันเกิดความรู้สึกแช่มชื่นจนกระทั่งถึงพื้นและกระแทกตายนั่นไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นใดเลยซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อ่ายัางนี้เนียว่ า, ส, าสัมมาสังกัปปะโูจราพรเจ้าว่าเตซารังอาทิขัตชันติเขาจะได้รับสิ่งที่เป็นสาระแน่นอนอนี่การกระทาอย่างนี้ มันไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้จิตของเราไหลไปกับโลกพอเกิดอะไรขึ้นมานิดหน่อยก็ตื่นตะหนกตื่นกลัวกลัวเหมือนกับว่าถ้าไม่มีแล้วก็จะชีวิตจะเพอร์เฟกสมบูรณ์ที่สุดอะไรทำนองนั้นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงให้เรามาพิจารณากายใจพิจารณาตัวของเราเองและก็วางท่าทีของตัวเราเองนี่แหละให้มันถูกต้องให้มันถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเรารู้จักตัวเราเองจัดกระบวนการของตัวเราเองให้มันถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะเกิดความสงบอย่างที่ท่านตรัสว่าสันตังตัดสะมณังโหติสันตาวาจา จะกรร ม, มจะส ม, มะทัญญาวิมุตตสักอุปสันตสักตาธิโดหมายความว่าผู้ที่หลุดพ้นนี่มันพูดถึงว่าถึงที่สุดของเขานะผู้ที่หลุดพ้นผู้ที่หลุดพ้นเข้าถึงความสงบคงที่มั่นคงเพราะความรู้ชอบส ม, มะทัญญาเรียกว่าเพราะความรู้ชอบ สันตังตัสสะมนันนังเขามีใจสะบบสันตาวาจาวาจาก็สะบบแล้วก็กรรมะหมายว่าการกระทำทางกายก็สงบคือมีกายวาจาใจอันสงบเป็นสันตะซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าส ม, มะัญญาเพราะความรู้ชอบคำว่าความรู้ชอบคือว่ามันตื่นขึ้นมาจากความหลง มันตื่นขึ้นมาจากมายาจากความเข้าใจผิดมันตื่นขึ้นมาจากสิ่งซึ่งมันร้อยรัดอยู่ที่มันคาดหมายที่มันถือมัน่นถ้าถ้าตราบใดที่เรายังไปถือมั่นต่อโลกคาดหมายต่อโลกจงใจต่อโลกเราจะต้องประสบกับความเศร้าโศกแล้วก็ไม่ไม่ตื่นขึ้นมาได้แน่นอนแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เกิดสมรรถธัญญาคือความรู้ชอบได้แน่นอน ท่านว่านิจยาปริกคาหานาโหติขึ้นชื่อว่าความความยึดถือคำว่าความยึดถือนี่ชื่อว่าเที่ยงอไม่มีความยึดถือนะชื่อไม่เที่ยงไม่มีเราทุกข์ใจเพราะอะไรโซจันติชนามามายิเตว่าผู้คนทั้งหลายที่เศร้าโศกเสียใจกันอยู่นั้นก็นในเพราะสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของเราเห็นไหม โซจันติชะ น, าานะมนามะมยิตเตเน่ชนทั้งหลายที่เศร้าโศกอยู่นั้นก็เพราะริงที่ยึดถือว่าเป็นของเราขึ้นชื่อว่าความยึดถือทั้งหลายที่ชื่อว่าเที่ยงนั้นไม่มีวินาภาวะสันตเบวีทังเพราะความยึดถือนั้นมีความพลัดพลาดเป็นที่สุดอะไรก็ตามที่เรายึดถือบอกกับตัวเราเองเหลือเกิน ว่านี่ของเรานั่นลูกเรานั่นนั่นของเรานั่นของเรานี่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของหรืออะไรที่เราบอกว่านั่นของเรานั่นของเรานั่นของเราทุกของทุกอย่างทุกนั่นทุกนี่แหละมันจะวินาภาวะสันตะเบวิดังเขหมายความว่ามีความพร่าพรากเป็นที่สุดให้บอกกับตนเองลองดูซิ ว่าอะไรที่ชื่อว่าของเราของเราของเราแล้วเราไปคาดหมายไปทําเป็นปริกาห้าคือการยึดถือโอบอุ้มรัดรึงไว้แล้วในที่สุดมันจะต้องพลักพรากต้องทําความให้ใจเรามันจะหนักกระจ่างตรงนี้ว่าเราจะต้องพลักพรากจากสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นของเราทั้งหมด และเมื่อใดที่มีความพลั้พลาดเกิดขึ้นเมื่อนั้นแหละเกิดความเศร้าโศกขึ้นเมื่อใดมีความพลั้งพลาดเกิดขึ้นเมื่อนั้นแหละมีความเศร้าโศกเกิดขึ้นเมื่อใดมีความพลั้พราดเกิดขึ้นเมื่อนั้นมีความเศร้าโศกเกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเรามีสิ่งยึดถือเท่าไหร่เอาแค่ว่าในวงจรของความคิดในความคิดของเราดูในความคิดของเราในวันหนึ่งวันหนึ่ง ประมาณการของความคิดคนเนี่ยวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยตีประมาณไว้สักสองหมื่นความคิดประมาณโดยทั่วไปประมาณก็สองหมืนความคิดตามที่เขาพูดกันไว้ถ้าสองหมืนความคิดในแต่ละความคิดมันเป็นความคิดแบบไหนเราลองมาถามตัวเราเองถ้าันความคิดที่มันประกอบไปด้วย ความยึดถือแล้วก็รับรองได้นะมันเป็นความคิดที่เป็นมิจฉาสังกับปะโคจาราถ้าความคิดที่เป็นมิจฉาสังกับปะโคจารานี่มันจะทำอะไรให้เกิดมันจะทำให้วิญญาณวิญญาณคือความรู้สึกตั้งมั่นและหองงำพระพุทธเจ้าตรัสว่ายันจะพิกเว เจ ต, ติประกับเปติออนุเสติเป็นต้นนะบอกพิสูจน์ทั้งหลายความจงใจความดำริความครุ่นคิดถึงสิ่งใดเ <c oughs> มื่อมันมีแล้วเนี่ยอารมณะเบตังโหติมาวิญญาณสัทิติยามันจะเป็นอารมณะปัจจัยที่ไปให้วิญญาณ น, นั้น ตั้งขึ้นตั้งมั่นขึ้นวิญญาณก็คือความรู้สึกความรู้สึกที่เข้าไปคาดหมายเมื่อมีความจงใจมีความตำริมีความครุ่นคิดมันจะทำให้ตัววิญญาณคือความรู้สึกนั้นตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นเป็นลำดับเรียกว่าเป็นกำลังแห่งอารมณ์นั้นเกิดขึ้นได้แล้ว มันยิ่งหอกงามขึ้นมันก็สำเร็จในวงจรของความคิดอันหนึ่งนี่พระพุทธเจ้าท่านว่าตัสมิงปฏิตัตสมิงปฏิเตวิญญาณเนวิรุลเฮหมายความว่ า, ว า, วาเมื่อวิญญาณตั้งมั่นหอกงามแล้วหอกงามขึ้นแล้วอายติงปุณภาวะ นิพพติโหติหมายความว่าอะไรหมายความว่าความเกิดขึ้นความเกิดอันเป็นพบใหม่ก็มีต่อไปเมื่อความเกิดอันเป็นพบใหม่มีต่อไปชาติชรามรโะโสกปริเทวะทุกขทโทมานตุปายาตก็มีแดนเกิดต่อไปเอวเบต ส, เสสะเกวรสสะทุกขขันตสสะสมุทยโยโหตินี่คือความเกิดขึ้นของทุกทั้งหมด ในชีวิตมีโดยประการเท่านี้แหละอืมความทุกข์ทั้งสิ้นในชีวิตมีโดยประการอย่างนี้เพราะ ว, าวิธีการในการจัดการในเรื่องราวความคิดให้มันถูกต้องให้เป็นสัมมาสังกปปะโคเจราเนี่ยมันจะตึงต้องอาศัยสมมตธัญญาคือความรู้ชอบ ความรู้ชอบความรู้ที่ถูกต้องลงไปสิ่งที่เราจะต้องอาศัยเพื่อมาพัฒนาให้ความรู้ชอบมันเกิดก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าและความรู้ของพระองค์ให้เรามีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและก็อาศัยความรู้ของพระองค์ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบและนำมาสั่งสอนพวกเราแล้วก็ทำให้มันถูกวิธี พระพุทธเจ้าให้เราทำการศึกษาพระธรรมที่พระองค์ค้นพบและสั่งสอนนั้นจากที่ไหนศึกษาเรียนรู้ส่วนที่เป็นทฤษฎีจากที่บรรดาพราะเราพระอริยสงท่านจําทรงสืบต่อรวบรวมกันมาจนถึงปัจจุบันแต่พอศึกษาให้รู้แค่นั้นมันยังใช่ไม่ได้นะมันจะต้องน้อมนาความรู้เหล่านั้น มาศึกษาในสนามจริงๆนั่นก็คือในชีวิตของตนเองน้อมความรู้ของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาและทำการเรียนรู้ในกายในใจของตนให้มันเกิดความรู้ในนี้ความรู้ที่เกิดจากการฝึกฝนและเรียนรู้ในกายใจของตนจากความรู้ของพระพุทธเจ้าความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นแหละเรียกว่าเส้นทางของสมถัญญาคือความรู้ชอบ ความรู้ชนิดนี้จะนําเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นทุกข์อย่างไรพ้ทุกข์หมายความว่าแต่เดิมเรามีชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรนําปีทุกขังเรามีความเกิดเป็นทุกข์มีความแก่เป็นทุกข์มีความเจ็บเป็นทุกข์มีความตายเป็นทุกข์เราทุกข์เพราะการเกิดทุกข์เพราะการแก่ทุกข์เพราะการเจ็บทุกข์เพราะการตายแต่เมื่อมีความรู้นี้เกิดขึ้นแล้ว ความทุกข์เพราะการเกิดก็จะไม่มีทุกข์เพราะความแก่ก็จะไม่มีทุกข์เพราะความเจ็บก็จะไม่มีทุกข์เพราะความตายก็มาจะไม่มีเพราะฉะนั้นทุกทั้งปวงจะหมดสิ้นไปโดยประการอย่างนี้มันในหลักในหลักที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจอย่างเช่นในเรื่องของ ป, ปัจจิธุมุบาต ท, ที่ตัวสุดท้ายคือทุกข์ที่เกิดเป็นลำดับตันมาเราจะสังเกตได้ชัด ว่าไม่บางประถุ ท, ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงอธิบายอย่างในเจตนาสูตรถ้าเราได้ทำการภาวนาด้วยแล้วเราไปเจอสภาวะเข้าแล้วเราเอาสภาวะที่เราเจอแล้วก็มาทดสอบกับความรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนมันสอดรับกันได้เรียกว่ามีสภาวะรองรับความรู้หรือมีความรู้รองรับสภาวะที่ปรากฏมันก็จะทำให้เราเกิดความรู้จากกระจ่างแนบสนิทยอยู่ที่ใจของเรา อย่างประจักษ์ขึ้นมาอย่างนั้นในดาบาลีที่จะมากล่าวเมื่อ ก, กี้ว่าในเจตนาสูตรว่าความจงใจความดําริความครุ่นคิดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอารมณปัจจัยคือทำให้วิญญาณมันตั้งมัน่นเมื่อวิญญาณตั้งมั่นหอกงาม มันก็จะทาให้เกิดการมีให้มีความเกิดในการมีพบใหม่ต่อไปก็หมายความว่าความคิดหนึ่งเป็นปัจจัยของความคิดหนึ่งสืบทอดต่อเนื่องไปเป็นลูกโซ่อะไรเป็นตัวที่จะกระชากความคิดหนึ่งให้ไปสู่อีกความคิดหนึ่งก็คือตันหากับอุปาทานตันหากับอุปาทานนั่นแหละมันจะเป็นตัวเชื่อมอ ระหว่างความคิดหนึ่งไปสู่ความคิดหนึ่งต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำว่าเราคำอัตตาตัวตนของเรามันจึงจมดิ่งลงอยู่ในทุกๆสิ่งทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องเป็นทุกเพราะการเกิดเป็นทุกเพราะการแก่เป็นทุกเพราะการตายเป็นทุกเพราะการเจ็บป่วยเป็นทุกเพราะความโศกเป็นทุกเพราะความบีบคั้นเป็นทุกเพราะความร่าไรราพัน เป็นทุกข์เพราะความปรารถนาเป็นทุกข์เพราะการพลาดพราดจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เพราะไม่ได้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาอันนี้เป็นเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราจมลงไปในว่วงของความคิดที่เป็นอารมาณปัจจัยคือเป็นตัวที่จะทำให้วิญญาณมันเกิดความตั้งมั่น แล้วในที่สุดมันก็ไหลก็ไปสู่มิจฉาสังกับปาโคเจราในสนามของความคิดที่ผิดผูกโยงกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆือๆอาสวะทั้งหลายก็ยิ่งเพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆรื่อยๆความหนาแน่นของอาสวะกองอาสวะที่ที่เรียกกันเป็นบาลีต่างๆก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นจุดมุมมองของชีวิตเราเราจึงมีสามระดับในการที่จะมอง ถ้าถ้าเราอยู่ในอารมณ์ชั้นหยาบที่สุดนะเราอยู่ในอารมณ์ที่หยาบที่สุดเราก็จะมองหาแต่สิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ถูกใจถ้าสิ่งใดที่มันขัดใจเราเนี่ยไม่ไม่ได้เลยแม้นว่าพูดถึงเรื่องของความถูกต้องมันก็จะต้องถูกใจเราถ้าอะไรที่ไม่ถูกใจเราแม้คนอื่นเขาบอกว่าถูกต้องมันก็ไม่ถูกต้องส่วนอะไรที่มันผิดแต่มันถูกใจเรา เราก็เข้าใจว่ามันถูกต้องทั้งที่มันผิดคนอื่นร้อยคนพันคนบอกว่าผิดแต่เราถูกใจเราก็บอกว่าถูกคนอื่นร้อยคนพันคนก็บอกว่าถูกแต่มันไม่ถูกใจเราเราก็บอกว่าผิดอันนี้เมื่อใดที่เราอยู่ในมุมมองของอารมณ์อั ญ, ญาบเราก็จะไม่สามารถไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ในสิ่งที่ชื่อว่า ความรู้ของพระพุทธเจ้าได้ความรู้ของพระพุทธเจ้ามันจะต้องเปิดชั้นของอารมณ์หยาบออกไปแล้วก็เข้าไปสู่ในอารมณ์ชั้นกลางหมายความว่าให้จิตนั้นมีเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่ที่ที่บริสุทธิ์เป็นเครื่องอยู่ที่ไม่มีอคติเป็นเครื่องอยู่ที่ไม่มีตนาอุปาทานอะไรเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ มีมุมมองออกไปเมื่อจิตมีเครื่องอยู่แล้วก็มีมุมเหมือนเรามีบ้านอยู่มีบ้านอยู่แล้วเราก็เปิดหน้าต่างแล้วเราก็มองโน่นมองนี่มองนั่นออกไปถ้าต่างกันกับเราไม่มีที่อยู่เออระเหยลอยชายล่องไปพเนจรไปแล้วก็มีมุมมองกับสิ่งต่างๆที่ผิดแผกออกไปอันนี้ก็เหมือนกันมันต้องเปิดชั้นของอารมณ์หยาบออกไป เมื่อเปิดชั้นของอารมณ์หยาบออกไปแล้วมันก็จะทาให้เราสามารถที่จะมองเห็นมองเห็นได้เรียกว่าดึงตนเองออกมาจากความประมาทก่อนพระพุทธเจ้าท่านว่าปมาดังอ ป, ปมาเดนะยะดานุ ด, ดติปันฑิตาว่าคนฉลาดนั้นจะต้องบันเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทเรียกว่าเปิดชั้นของความประมาทออกไปก่อนปัญญาปาสาดาอารุหะเหมือนเหมือนกับการขึ้นสู่ปราสาสตรของปัญญา ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการที่เราบันเทาความประมาทออกไปนั้นมันเหมือนกับปัญญาที่อยู่เป็นปราศาสตรคือเหมือนกับปัญญาที่อยู่ชั้นสูงอโซกโกจะไม่รู้สึกเศร้าโศกจะต้องไม่รู้สึกเศร้าโศกก่อนพอไม่รู้รสึกเศร้าโศกแล้วโซกโซกโซกะนิ่งประชังก็จะเห็นหมูสัตว์ผู้เศ ร, ร้าโศกเราก็สามารถจะมองเห็นความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นกับหมูสัตว์ต่าง โดยที่เรานั้นไม่ต้องเศร้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเปิดชั้นของอารมณ์หยาบออกไปเรียกว่าบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทออกไปได้ปัปป ะ, ะตัดเทอปัปปะตัดโธวะภุมมัตเทเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ดีมากคือพระพุทธเจ้านี่มีพระคุณต่อพวกเราตรงไหนหรูไ้ไมมีพระคุณต่อพวกเราไม่ว่าเราจะติดขัดปัญหาใดๆก็ตาม พระพูทธเจ้าจะตอบต่อคําถามและปัญหานั้นทั้งหมดนี่ถ้าเรามีใครสักคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆเราและคนคนนั้นสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับเราทุกๆเรื่องทุกๆเรื่องทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรมาบางไม่ว่าเราจะสงสัยขัดทนเรื่องใดๆก็ตามอยู่ข้างเราเราจะรู้สึกเป็นไงโอ้โหมันสุดยอดของชีวิตเลยนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นแบบนั้นกับเราทุกคนนะพระพุทธเจ้าเป็นแบบนั้น ทรงเป็นแบบนั้นกับพวกเราทุกคนไม่มีใครหรอกไม่ว่าคนขี้เมาก็เคยได้แล้วฆาตกรอย่างองคุริมานก็เคยได้แล้วนักนักปราดแต่ว่าเป็นผู้มัวเมาอย่างสันติมหาหมาัดก็เยได้รับมาแล้วทุกคนได้รับมาหมดจากพระเจ้านะคือยืนและตอบโจทย์ให้กับทุกทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันนะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเมื่อเราเปิดชั้นของ ความประมาทออกไปเปิดชั้นของอารมณ์หยาบออกไปเราก็จะเข้าไปอยู่ในชั้นกลางเวลาเราไปอยู่ในชั้นกลางปัญญาความรู้สึกของเราเรียกพระพุทธเจ้าเรียกว่าปัญญาปราซาดาอารุหะมันเหมือนขึ้นสู่ปราศาสปัญญาเป็นความรู้ที่มองจากที่สูงลงข้างล่างนะอาโซโกโมไ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ไม่ไม่มันมันไม่มีความเศร้าโศกอยู่ตรงนั้นโซกานิงประจังจะเห็นหมูสัตว์ผู้ที่กําลังเศร้าโศกอยู่ ปภัตตโธวะภุมตมเทเนี่ยมันเหมือนกับการขึ้นยืนบนภูเขาแล้วมองลงมาที่ผ้าพื้นดินเห็นผู้คนที่เขากําลังเดินอยู่อย่างนี้ถ้าเราสามารถเปิดตรงนั้นเราจะเข้าใจและเราสามารถที่จะพัฒนาความรู้ของพระพุทธเจ้าในกายในใจของเรานี้ให้ดําเดินต่อไปอย่างอย่างรวดเร็วและก็แข็งแรงเดังการเรียนรู้ในเรื่องของพระพุทธศาสนา อันเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันจะสนุกสนานอ่มันจะเอาอาศัยแค่ความสนุกสนานความอริยอร่อยความตลกขบขันมันมันไม่ได้นะมันเข้าไม่ถึงเพราะสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในชั้นของอารมณ์หยาบถ้ามันอยู่ในชั้นของอารมณ์หยาบเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้ไอ้เรื่องราวเหล่านี้ที่กล่าวกันอยู่ที่ตะมาพูดนี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริงนะมันมีอยู่ เราเจอหนังละครเจอการแสดงแล้วมันเป็นเหตุทําให้เราเกิดความรู้สึกตลกสนุกสนานขบขันหัวเราะอ่ามันมีอยู่อันนั้นเรียกว่าอารมณ์อืมถ้าเมื่อเราเปิดสิ่งเหล่านั้นออกไปถอดเปลือกออกไปเปิดออกไปเหมือนกับกระเทาะเปลือกกาบกล้วยอย่างนั้นกร ะ, ะเทาะออกไปกร ะ, ะเทาะออกไปกระเทาะออกไปไอ้ที่มันมีอยู่อีกชั้นหนึ่งอะคือมันไม่มี มันไม่มีมันต้องไม่ต้องอาศัยเปลือกเหล่านั้นมันก็มีอยู่เหมือนอุปติสากับพอลลิกะพระสารีบุตรกับพระโบรกัลลานะที่ก็เป็นเพื่อนซี้กันเป็นหนุ่มเจ้าสำรานเที่ยวโน่นนี่นั่นไปเรื่อยเรยไปวันหนึ่งมันเกิดความรู้สึกเบื่อเบื่อแล้วไม่รู้จะทำยังไงมันก็ถอดเปลือกหลองนั้นออกไปไปนั่งดูมโหรสพว่าไอ้คนที่แสดงอยู่นี่มันร้องไห้มั่งมันตลกมั่งมันสนุกสนานมั่งคนเหล่านี้เหรอ เดี๋ยวอีกหน่อยนะนะพะมันจบการแสดงแล้วมันก็เข้าสู่วิจริงสิ่งที่มันกำลังแสดงกันอยู่นั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องของมายาเรามายืนหัวเราะร้องไห้ไปตามการแสดงของอรมณ์มันบ้าหรือไงอคิดกันไปเพื่อเลิกไม่เอาแล้วเรียกว่าถอดปอกเปลือกออกไปจากอารมณ์หยาบทั้งหมดไม่ไปท่องเสพมันก็จะทําให้หันมามองสิว่าชีวิตมันยังพอมาชีวิต ถอดอารมณ์ญาบออกไปเข้าไปสู่อารมณ์ชั้นกลางเนี่ยมันก็จะได้มองหามองหาว่าอะไรที่มันเป็นสาระตอนนั้นไม่เจอพระพุทธเจ้ามันก็ไม่มีครูที่ถูกต้องก็หาต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอพระอาสิชิเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดในความมันก็ก็ได้เลยเพราะไปในมองด้วยอารมณ์ชั้นกลางในความรู้ชั้นกลางด้วยจิตสภาพจิตที่เป็นกลาง ในที่สุดก็ไปแค่ไปบอกไปเล่าให้พระโบกคาลานะฟังพระโบกคาลานะก็ได้เป็นพระสุราบาลอีกเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าไม่มีอยู่มันเป็นเรื่องที่มีอยู่นะแค่เราทําตามที่พระพุทธเจ้ า, าสอนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราคนนับถือพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะผู้ที่ได้ชื่อว่ามีการปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องพึงสังวรพึงตระหนักพึงทําความเข้าใจให้เกิดความรู้ ว่าเราจะต้องปรับในสภาพชีวิตของเราอย่างไรคือมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปบีบคั้นบังคับชีวิตตนเองให้มันอัตคตัดขัด้นให้มันลำบากมันไม่ใช่นะแต่มันจะต้องปรับปรับมุมมองของตนเองปรับมุมมองให้มันเข้าไปสู่ใน อ, อีกชั้นหนึ่งให้ได้สิ่งที่จะเป็นตัวช่วยนะในการในการที่จะปรับ มุมองชีวิตให้เข้าไปสู่ให้มันปอกเปลือกของอารมณ์หย่าบออกไปได้นี่คือการพิจารณาสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอภินาปัจจเวกขณะก็คือว่าให้คิดพิจารณาอยู่เนืองๆ น, งนี่อันนี้ช่วยได้ไหมนั่นก็คือการพิจารณาเรื่องของความตายเลยเป็นหลักถ้าเราสามารถพิจารณาเรื่องของความตายสัจธรรมของชีวิตที่มันมีความเป็นจริงอย่างไรพิจารณาเนืองๆหมายความว่าพิจาร พิจารณาเนืองๆบ่อยๆบ่อยๆบ่ อ, อยๆจนจิตมันเห็นชัดเจนว่าชีวิตของเรานั้นเหมือนอัตมาที่ยกเล่าไอ้ความตเดตอนต้นว่ามันเหมือนกับคล้ายๆกับว่าตกจากหน้าผารอที่จะกระแทกพื้นแต่มันเห็นอย่างนั้นได้มันจะทําให้เราไม่เสียเวลาไปอยู่กับสิ่งอันไร้สาระอีกต่อไปเราก็จะได้ขวนขวายมุ่งมั่นในเรื่องเส้นทางในการที่จะเจริญสติที่นี้ เมื่อเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วปอกใจก็ไปแล้วเหมือนพระสารีบุตรท่านโชคดีเพราะท่านมีความรู้สึกอย่างนี้ท่านท่านถอยออกมาจากอารมณ์หยาบหยาบอย่างนั้นได้แล้วเนี่ยท่านไปเจอพระอัสสชิพระสารีบุตรท่านโชคดีแต่พวกเราโชคดีกว่านั้นเพราะอะไรเพราะเราเจอพระพุทธเจ้าโอ้โหเจอทั้งพระไตรปีดกทั้งที่เป็นซีดีทั้งที่เป็ น, D, ปน อ, อะไรอะ เป็นหนังสือเดี๋ยวนี้ยิ่งมีโทรศัพท์ยิ่งมีอะไรต่างๆกดเข้าไปปึ๊บเดียวดิพิมพ์คำว่า น, นิพานนี่โอ้ยขึ้นมันจะไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไร่เราโชคดีกว่านั้นนะพระสารีบุตรกว่าถ้าเจอท่านจะได้เจอพระอัศเชียนต้งเดินอยู่ตั้งนานนะแต่เราดจิ้มไปในโทรศัพท์แป๊บเดียวเจอแล้วเขารวบรวมไว้หมดแล้ว เพียงแค่ถ้าหากจะหาความรู้นะแต่ถ้าใจยังอยู่กับอารมณ์หยาบแม้จะไปเจอแม้จะไปพบแม้จะไปเห็นแม้จะไปนั่งอ่านมันก็ช่วยอะไรได้ไม่มากนะมันต้องพิจารณาทำใจให้เข้าไปสู่ในอารมณ์ชั้นกลางให้ได้เรียกว่าอย่าไปครุ่นคิดอย่าไปหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์หยาบโดยส่วนเดียว แต่ให้ถอยกลับออกมาทีนี้วิธีการที่มันจะถอยกลับออกมานี่ต้องทำอย่างไรอย่างน้อยน้อยที่สุดเนี่ยก็คือให้ความรู้จริงกับใจตนเองความรู้จริงให้กับใจตนเองในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วสอนไว้แล้วสิ่งนั้นคืออะไรที่เราเรียกกันว่าสติปัญญาสติสมาธิปัญญา ไม่ได้จากการอ่านไม่ได้จากการคิดไม่ได้จากการฟังอย่างเดียวแต่มันจะต้องอาศัยการศึกษาอย่างเข้มงวดในกายในใจนี้เท่านั้นความรู้ที่เกิดจากการเราศึกษาลงไปในกายใน ใ, นใจนี้ของเราเองความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความรู้ที่จะประกอบไปด้วยสติสมาธิและปัญญา สติสมาธิและปัญญาจะเป็นองค์ประกอบของความรู้อันเกิดขึ้นจากการที่เราเข้าไปศึกษาในกายในใจของเราท่านเรียกเป็นหมวดธรรมปฏิบัติว่าสติปัฏฐานมีกายเวทนาจิตธรรมก็ว่าไปแต่ว่าของเรานั้นได้ดำเนินเรื่องเส้นทางของการปฏิบัติมาด้วยกันหกสิบแปดครั้งถ้านับครั้งนี้นะ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่หกสบแปดก็เราจะใช้หลักการปฏิบัติคืออาณาปานสติคือการรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นหลักวั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็เป็นกายอย่างหนึ่งการรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้านั้นรู้ที่ต่อเนื่องจากการรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้า ความรู้ที่เกิดขึ้นจะเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยสติและสมาธิแล้วเราก็ไม่ต้องไปอาศัยวิธีการใดๆอีกเลยเพราะอะไรพระพระเมตตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจัดไว้ชัดเจนแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วไม่ต้องไปเปิดหาวิธีเทคนิคอะไรต่างๆที่ไหนอีกแล้วพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดหมดแล้ว แล้วอันต่มาก็นํามาสอนทุกครั้งวันนี้ก็เป็นครั้งที่68แล้วละก็ที่สอนนั้นไม่ได้ว่าเอาเองนะบอกให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นเราแค่ทำตามเฉยๆแล้วอะไรที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรารู้ลมหายใจพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างไรท่านแร้ตรัสว่าเมื่อเมื่อสิ่งใด้เกิดก็แค่รู้ว่ามันเกิดเมื่อสิ่งไดดับก็แค่รู้ว่ามันดับ ไม่ต้องไปตั้งข outfit, ้อสงสัยว่าทําไมมันถึงเกิดเอาทําไมมันถึงดับเอาทําไมมันไม่มาอีกล่ะทุกทีพอเรานั่งแล้วน like ี่มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ไอ้นี่มันนอกเหนือจากที่พระพุทธเจ้าสอนใครที่คิดอย่างนี้แต่ที่มันไปไหนกันไม่ค่อยได้ในเรื่องการภาวนาเพราะเราจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเราไม่ค่อยแน่วแน่ในคําที่พระพุทธเจ้าสอนแต่เรามักจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าพออะไรเกิดปั๊บ แค่รู้ว่ามันเกิดตามความเป็นจริงอา้าวแต่ท่านว่าทิฏเตอทิฏเตมตเตเย ว, วะสันทาตเาิเมื่อเห็นก็ทรงสภาวะเห็นมา <c oughs> เมื่อเห็นก็ทรงสภาวะเห็นเท่านั้น เ, เมื่อได้ยินก็ทรงสภาวะว่าได้ยินไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อมัน ไม่ต้องไปสงสัยว่าทำไมถึงเห็นไม่ต้องไปสงสัยว่าทำไมถึงเห็นไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อมันเพราะพระพุทธเจ้านี่จะใช้คำว่ามัตต์มัตตะมัตเตยเยะอยู่เรื่อยๆถ้าเพียงแค่เพียงแค่เพียงแค่เพียงแค่เพียงแค่แค่แค่แค่เนี่ยพระเา้าจะสอนย้ำอยู่บ่อยๆตมมาก็นามาพูดอยู่บ่อยๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แค่รู้ ว่ามันเกิดขึ้นพอมันดับไปก็แค่รู้ว่ามันดับไปและเราไปอยู่ที่ไหนจิตก็เมื่อลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้เอาบางคนพอปฏิบัติไปปฏิบัติามาพอลมหายใจเข้าลมหายใจอ้กอทำไมบางทีลมหายใจมันเบาว่โอ้ยหนูทำไม่ได้เลยหนูกลัวอา้าวแล้วลมหายใจเราโดยปกติมันสม่าเสมอเหรอ โดยปกติเราไม่เคยรู้เขาเราไม่เคยรู้ลมหายใจของเราว่าเป็นอย่างไรพอเราหันมารู้เข้าทำให้เราไปรู้ว่าลมหายใจเราบางครั้งมันยาวบางครั้งมันสั้นบางครั้งมันเป็นขาดเป็นช่วงเป็นช่วงบางครั้งมันเบาบางครั้งมันบางบางครั้งมันลดเล็กบางครั้งมันน้อยบางครั้งมันละเอียดบางครั้งมันหยุดไปนานๆอ้าวเมื่อก่อนมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เราไม่เคยรู้พอเราเข้าไปรู้เราก็เห็นกิริยาของลมหายใจของเราที่มันปรากฏ เราก็เกิดความตกอกตกใจตกอกตกใจเพราะอะไรตกอกตกใจเพราะว่าถ้าเราหยุดหายใจเรามีความเชื่ออยู่ว่าเราต้องตายก็เกิดความสะดุ้งเกิดความสะดุ้งเกิดความสะดุ้งขึ้นมาไอ้อย่างนี้เราเรียกว่าเรียกว่าไม่แน่แน่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าไงพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรเกิดก็แค่รู้ว่ามันเกิดอความเป็นจริงอย่างไรที่มันเกิดขึ้นก็แค่รู้ว่าความเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรอย่างอื่น เอ้เมื่อวานนั่งสมาธิดีมากพอมาวันนี้นั่งไม่ได้เลยเดี๋ยวมันม่วงมังเดี๋ยวมันกระสับกระสายมั่งเดี๋ยวมันคิดไปโน่นเดี๋ยวมันคิดไปนี่โอ๊ยไม่ดีเลยอ่าอันนั้นมันคืออะไรก็มันเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นสภาวะที่มันเกิดขึ้นปรากฏอย่างนั้นมันก็ต้องมองให้รู้รักไม่ได้ว่ามันมีสภาวะดีเกิดขึ้นหรือแค่นั้นแหละมันก็จบก็สิ่งใดที่มันเกิดขึ้นก็แค่มันเกิดขึ้นพอมันดับไปก็แค่มันดับไปแค่นั้น ความพุ่งสั้นเกิดขึ้นความพุ่งสั้นมันก็คือสภาวะอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นได้ไม่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงก็แค่เกิดขึ้นพอมันหายไปแล้วเป็นยังไงแล้วมันก็แค่หายไปเออมันไม่มีอะไรทพระพุทธเจ้าจึงตัดถอนย้ำชัดเจนตรงนี้นะว่าอะไรเกิดสมุดไดยธรรมานุปัสชีวากายสัมิงบีหรติเมื่ออะไรที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็รู้ วิยะธมานุปัสิวากายสมิงวิหารติอะไรที่มันดับไปเป็นธรรมดาก็รู้สมุดดายะวิยธธมานุปสิวากายสมิงวิหารติอะไรที่มันเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาก็รู้ก็รู้ในความเป็นธรรมดาที่มันเกิดรู้ในความเป็นธรรมดาที่มันดับรู้ในความเป็นธรรมดาที่มันเกิดขึ้นและก็ดับนั่นที่พระพุทธเจ้าสอนเราไม่ทําตาม เราพยายามที่จะไปปรุงแต่งเราพยายามที่จะไปคาดหวังเราพยายามที่จะไปเป้าหมายอัตมาไม่ได้บอกว่าอาการเป็นอย่างนั้นน่ะมันผิดแต่ให้ถอยกลับมาถอยกลับมาหยุดอยู่แค่ที่พระพุทธเจ้าสอนพอหยุดอยู่ที่แค่ที่พระพุทธเจ้าสอนพอแล้วพอหยุดอยู่ที่แค่ที่พระพุทธเจ้าสอนมันจะเกิดอะไรน่ะอ่ะอภิชาวีเนียรโลกเกออภิชาโตมานะสังวิเนียรโลกเกอภิชาโตมานะสัง เมื่อเราหยุดอยู่ที่พระพุทธเจ้าสอนมันจะทำให้เราหยุดความรักความชังความยินดีความเสียใจความยินดียินรายได้ในโลกนี้มันหยุดได้หยุดได้ตรงไหนหยุดได้ตรงที่เราแค่รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงที่ปรากฏลมหายใจออกเริ่มต้นไหลเราก็รู้แค่รู้ลมหายใจไหลออกที่มันกาลังไหลรู้ตรงเข้าไปตรงเข้าไปตรงเข้าไปรู้ที่ตรงต่อลมหายใจไม่มีตัณหามานาทิติ ไม่มีอาการติใดๆปรากฏรู้ต่อเนื่องตรงเข้าไปอย่างนั้นเรื่อยๆๆก็จะเป็นอาตาปีสัมปชัญโนวิเดยะโลเกวิชาธุมัสังแน่ น, นอนเพราะฉะนั้นเราในในวันนี้มันเป็น เ, นเรื่องของการออนไลน์นะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านก็สามารถที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ไปปฏิบัติตามอนาปานสตินั้นได้เพราะว่าวันนี้มาช้าไปกว่าสามสิบนาที แต่ว่าพอพูดเรื่องวันนี้เรื่องที่พูดวันนี้เนี่ยเพื่อทําความเข้าใจพวกพูดไปแล้วจะจะหยุดเนี่ก็ก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายก็เลยต้องให้ทําพูดต่อพอพูดแล้วมันมีประเด็นออกมามันก็ต้องพูดต่อพูดแล้วมีประเด็นออกมามันก็พูดต่อดูนาฬิกาก็จะสิบเอดโมงแล้วสิบโมงครึ่งก็ไปแล้วไอ้ทีนี้ในการฟังธรรมะชาวเนี้ยก็คิดว่าพอสมควนแก่เวลา ก็จะสรุปให้กับพวกเราเพียงแค่นี้แหละว่าให้มันให้ระหนักนะระหนักลงไปที่ชีวิตของเราเองแล้วก็ถอยอ่า ป, ปอกเอาอารมณ์หยาบออกไปในสิ่งที่เราจะต้องทาความเข้าใจนะแล้วเข้าไปสู่ในอารมณ์ชั้นกลางมองด้วยความเป็นกลางมองด้วยอารมณ์ชั้นกลางหมายความว่า จะทำอะไรจะคิดอะไรก็แล้วแต่ให้นึกสภาพให้เห็นเหมือนกับเรียกว่าอันทักโกเหมือนคือว่ามีความตายเป็นกิริยาสุดท้ายของชีวิตถ้าเมื่อใดกิริยาคือความตายเกิดขึ้นชีวิตนี้ก็จบโอกาสที่เราจะได้ทำดีสิ่งใดดีๆนั้นไม่มีโอกาสอีกแล้วเพราะฉะนั้นในระหว่างที่กิริยาสุดท้าย กำลังยังไม่ได้บังเกิดเนี่ยให้ใช้ห่วงเวลาเนี่ยห่วงเวลาที่เรารู้สึกได้เรายังไม่ตายเนี่ยทําสิ่งที่เป็นสาระมุ่งตรงเข้าไปสู่การปฏิบัติการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมเป็นหลักและนอกเหนือจากนั้นก็าหันไปดูหน้าที่ของตนเองว่าในชีวิตของเรามีหน้าที่อะไรบ้างและก็ทําหน้าที่นั้นๆเลยให้ดีไว้ อย่าปล่อยให้ความไม่ดีมันกัดกร่อนหน้าที่ใดๆของเราให้มันเสียหายทำให้มันดีตามหน้าที่นั้นๆแล้วก็มุ่งเข้าไปสู่การฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ให้มากที่สุดมันก็จะเป็นประโยชน์ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มองไม่มองด้วยความรู้สึกที่ ไม่มองด้วยอารมณ์ชั้นกลางเราหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์หยาบเราไม่สามารถหรอกไม่สามารถที่จะมีความคิดที่จะให้ความสําคัญต่อการฟังธรรมต่อการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังได้มันก็จะไหลอยไปน่นแหละแล้วก็เดี๋ยวนี้เราก็พิสูจน์ได้ง่ายๆอย่างโซเชียลพวกสื่อต่างๆบางทาีพอเราฟังช่องนี้ พูดอย่างนั้นเราไปแล้วโอ้ยยกพวกกรุมด่ากันเป็นแต่พอสักพักหนึ่งอ้าอันนี้เปลี่ยนไปก็หันจากคนที่โดนดา่าก็หันมายกย่องจากการยกยอ่องเดี๋ยวก็ดา่าเดี๋ยวก็ยกย่องเดี๋ยวก็ชมเดี๋ยวก็ดา่าเดี๋ยวก็ชมเดี๋ยวก็ยู่นั่นแหะคือในโลกของอารมณ์หยาบมันมันมันไม่ได้มันพระพุทธเจ้าท่านึงเน้นว่าเราจะต้องทําความเข้าใจ ในชีวิตของเราเราจะไปรู้เรื่องราวต่างๆมากมายแต่เราไม่เข้าใจชีวิตของเราไม่รู้จักกายไม่รู้จักใจของเราเนี่ยก็เรียกว่าเรายัา ง, งโง่อยู่ดีเราอยั ง, งโง่อยู่ดีไอ้ความฉลาดของเราเนี่ยมันจะต้องหันมาใช้กับกายกับใจของเราดันั้นท่านว่าทีโรพาเลอวิคคติว่าคนฉลาดเนี่ยจะพิจาจรณาเห็นคนผ่านความเป็นปราด จะพิจารณาเห็นความเป็นผ่านความเป็นปรารถนะจะพิจารณาเห็นความเป็นผ่านเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนภูเขาจะมองเห็นคนที่เดินอยู่บนพื้นดินไอ้ความเป็นปราดในที่นี่มันไม่ไหนหมายความว่าเป็นผู้รู้สุดยอดนะไม่ใช่นะคือผู้ที่รู้กายรู้ใจรู้จักตนเองอย่างประจักษ์แจ้งและจะสามารถมองเห็นความเป็นผ่านได้อันนี้ก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นนับจากนี้เหลือเวลาอีกห1 0ส5บสห้าเรียกว่ารวมครึ่งชั่วโมงนะเราก็จะได้ภาวนากันยัยสนทนาเรื่องคำสงคำถามก็ไม่ได้น ะ, เ, ะเวลาไม่มีในช่วงที่โควิด เราก็จะทำกันอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆส่วนใครมีคำถามท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านมีคำถามก็ส่งไปถามทางเพจของอาคารธรรมก็หรือในติดต่อทางไหนได้ก็ถามไปทางนั้นแหละเดี๋ยวก็จะแจ้งรวบรวมมาแล้วต่อมาก็จะตอบให้ทีหลังตอนนี้แต่พร้อมแล้วก็เข้าสู่การภาวนา การภาวนาด้วยอนาปานสติคือการรู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าให้เราเฝ้ารู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าต่อเนื่องกันไปก่อนนะเพราะว่าทุกท่านนี่ส่วนมากรู้วิธีการปฏิบัติกันแล้วตอนนี้เราก็มาเริ่มต้น ตามลำดับที่พระพุทธเจ้าทันตรัสว่าพลังกังอาพุทธจิตวานิสีดาติหรือว่านั่งคู่บาลังอุจงกายยังปานิทยายะตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นจากนั้นเราก็ตัดปาริพุธออกไปปริโพุธก็คือการความกังวลในสิ่งต่างๆของชีวิต ด้วยการตั้งกายตรงนี้ล้วให้มันมีแค่รูปแค่นามแค่ชื่อและนามสกุลของเราก็ตัดออกไปเสียก่อนนะตอนนี้ชื่อนามส ก, กุลยศถาบรรดาสักด์ตำแหน่งฐานะอะไรต่างๆเนี่ยตัดมันออกไปก่อนให้มันเหลือแค่รูปแค่นามที่เป็นกายเป็นใจเป็นแท่งแท่งตั้งนั่งอยู่ตรงนี้เท่านั้นไม่มีชื่อเรียกโดยซ้ำ เป็นกายที่ประกอบด้วยธาตุสีคือดินน้ำไฟลมและเป็นใจคือความรู้สึกที่มีรวมเป็นชีวิตตั้งอยู่ตรงนี้นั่งคู่บาลังตั้งกายให้ตรงที่นี้ดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าในส่วนของกายเนี่ยพอตั้งตรงแล้ว ตั้งนิ่งเลยตั้งทิ้งเลยต่อไปเราก็จะไปจัด ก, การกับอีกสองเรื่องทำการศึกษาเรียนรู้ลมหายใจที่มันไหลออกทางช่องจมูกไหลเข้าทางช่องจมูกตัวที่จะเข้าไปรู้ตัวหนึ่งตัวที่ถูกรู้นี่ตัวหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นอยู่แค่นั้นอะวิธีก็ ให้ความรู้มันเกิดให้ตัวรู้มันเกิดแล้วก็หายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจว่ายขณะที่หยุดการหายใจก็ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจที่ไหลออกนั้นตัวรู้ก็ปรากฏลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งถูกรู้ก็ปรากฏหายใจออกก็รู้ไป หายใจเข้าก็รู้ไปหายใจออกก็รู้ไปหายใจเข้าก็รู้ไปแต่เริ่มต้นมันรู้ไม่ค่อยได้พระพุทธเจ้าท่านว่าให้ทําลมหายใจยาวทําให้ยาวหายใจออกให้ยาวหายใจเข้าให้ยาวหายใจออกให้ยาวแล้วรู้ลมหายใจที่ไหลออกยาว หายใจเข้าให้ยาวให้รู้ลมหายใจที่ไหลเข้ายาวทำอย่างนี้ไม่ต้องไปสงสัยว่าเฮ้ย hey, ทำอย่างนี้เลยฉันจะได้อะไรถ้าพอาทำแล้วมันอึดอัดเราก็ปรับปรับความยาวให้มันสั้นลงมาหน่อยหนึ่งแต่ให้มันยาวนั่นแหละแล้วก็รู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไ ป, ไปเพียรรู้ลมหายใจออกยาวเพียรรู้ลมหายใจเข้ายาวเพียรรู้ไปเรื่อยๆถ้า เท่าที่สังเกตนะโดยปกติเนี่ยประมาณสักส5บห้านาทีถึงยี่สิบนาทีลมหายใจก็จะสั้นลงมาแต่มันไม่ใช่ว่าสั้นมากนะมันยังยาวอยู่แต่มันยังยาวแบบแบบที่มันเกิดส ป, ปายะในขณะนั้นลมก็จะเรียบรู้ก็จะชัดเจน แล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มันก็จะลมหายใจก็จะสั้นลงมาอยู่ในระดับลมหายใจที่ปกติตอนนั้นเราไม่ต้องไปกาหนดรู้อะไรก็แค่รู้เลยที่นี่รู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้าลมที่เข้าลมที่ออกก็เป็นลมธรรมชาติเพราะร่างกายของเราโดยปกติเขาก็หายใจของเขาอยู่แล้วรู้ไปอย่างนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในขณะที่รู้ลมหายใจก็แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้น พอมันสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นดับไปก็แค่รู้ว่ามันดับไปแล้วก็รู้กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ไายเฝไปกับสิ่งใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นไม่หลงไปกับสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นไม่ไปให้ความสําคัญสงสัยในสิ่งใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นแค่รู้เท่านั้นพระพุทธเจ้าให้สับไวสองคาเรียกว่าญานามัตตยะแค่รู้ ปฏิสติมัตยะคือแค่ระลึกแค่ระลึกกับแค่รู้แค่ระลึกกับแค่รู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆ่เอาต่อไปก็ตั้งใจตั้งใจปฏิบัติด้วยกันแล้วก็จะหดเสียงไปจนกว่าจะยุติลงแล้วก็แผ่เมตตา โ <c oughs> ดยเวลาพอสมควรต่อไปนี้ตั้งใจแผ่เบตตาประดมมือขึ้นมาตั้งใจรวบรวมพลังบุญพลังกุศลที่ได้ตั้งใจทำวันนี้นะให้รวมเป็นมหากุศลเป็นพลังอยู่ที่ข้างในใจของเราตั้งใจน้อมบูติษให้สมประสัตทั่วไป เลว่าตามสพเทสัตาสัทารโหตุอเวราสุขะชีวิโดขอปวงจัตถทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อการดำรงชีพอยู่เป็นทุกทุกเมื่อเถิด ก, ก, กะตัง้งปุญนยังพลังไม่หังสับเพพาขีพวันตุเต ขอสัตว์ทั้งสิ้นนั้ น, ง น, น, นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าบำเพ็ญแล้วนั้นเถินขออนุโมทนาขอยุติกันโดยพร่แต่เพียงเท่านี้ สำหรับปันนีก็ขออนุมโมทนากับผู้ที่ตั้งใจฟังและก็ปฏิบัติทั้งที่นี่และที่อยู่ทบ้านทุกทุกท่กทานนะขอให้พบกับความสุขความสวัสดีทุกทุกคนแล้วก็วากว่าถ้าเป็นไปได้ก็จิตลงทะเบียนฉิตวัคซีนกันเถอะ